กราบบูชาพระธานาัยกรูบาจารย์นับตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบกระวะครูบาจารย์ปฏิเอรานุเถระพันเตและเพื่อนสาธรรมิกขอเจริญในธรรมแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรม มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2555ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะโรงเมื่อนับระยะเวลาแล้วเนี่ยเราก็ได้ร่วมจำพรรษากันมา2เดือนก็ถือว่า ผ่านมา2เดือนแล้วนะเดือนหน้าก็เป็นเดือนสุดท้ายนะก็ เ, เห็นได้ว่าเวลาเนี่ยมันเดินไปรวดเร็วเหลือเกินนะสิ่งที่เราได้ตั้งใจมาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกบโตนีนะ้แต่ละแต่ละท่านแต่ละคนก็คงจะมีจุดประสงคนะ์มีความตั้งใจนะที่จะมาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจ นะซึ่งผ่านมา2เดือนก็ถือว่าเป็นระยะเวลาพอสมควรหกสินะวันก็ไดนะ้เมื่อเราพิจารณาระยะเวลาแล้วกับสิ่งที่ผ่านมากับกิจกรรมที่เราได้ทําการใช้ชีวิตที่ผ่านมานะก็น่าจะมีโอกาสได้ทบทวนว่าเราใช้เวลาที่ผ่านมาในคุ้มค่าแค่ไหนนะกับการมาใช้ชีวิตที่ วัดป่าสุกโตถนะือว่าเป็นการทบทวนาการใช้ชีวิตที่ผ่านมาและเวลาที่เหลือนะเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดนะสิ่งที่คิดว่าตอบสนองต่อจุดประสงคนะ์ของการมานะของแต่ละคนแต่ละท่านนะที่มาใช้ชีวิตในวัดป่าสุกโตแห่งนี้เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ย เราจะรู้สึกสบายอากาศก็สบายสถานที่ก็สบายอาหารก็สบายครูบาอาจารย์ก็มาพูดคุยนะให้ข้อคิดให้กําลังใจนะในการที่เราจะเรียนรู้นะเรื่องชีวิตนะของเราความสบายเนี่ยแลบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดนะีขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แค่ไหนบางทีเราอยู่สบายมากๆ นะเราก็รู้สึกไม่ทุกข์ร้อนอะไรก็อยู่ไปเรื่อยๆนะความสบายเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเนี่ยอ่อนแอได้นะเราก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะ เ, เรียนรูนะ้เรื่องกายเรื่องใจนะก็เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกสะดวกสบายตรงนี้นะซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนนะที่วัดป่าสุกโตนี้จะยากลำบากมาก <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ อ, อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยได้ลอ ง, ลองมาทบทวนนะสิ่งที่เรามาอยูนะ่ในระยะสองเดือนนีนะ้ความตั้งใจของเราที่จะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนะเราสามารถที่จะผ่านนะอุปสรรคต่างๆนะเช่นเรื่องนิวรความง่วงเหงาห้านอนความขี้เกียจขี้คลานความฟุ้งซ่าน นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาทดสอบเราอยู่ตลอดเวลานะเราจเจริญสตินะทีไรเราง่วงเราผ่านมันได้ไหมนะหรือมันง่วงเราก็ชวนไปนอนนะตรงนี้ก็น่าเสียดายเวลานะที่มาอยู่หรือบางทีมันฟุง้งซ่านมากๆนะเราก็มาสงสัยเออเราปฏิบัติถูกไหมนะถามครูบาอาจารย์นะบางทีบางคนก็ จ, จะไม่กล้าถามนะ ตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียประโยชน์ไปนะก็บางคนก็เลยทำไปแล้วก็เบื่อนะก็ไปหากิจกรรมอื่นทำไปนะความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันก็เบี่ยงเบนไปทําให้ระยะเวลา60สวันหรือว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็อาจจะไปมัวสารวนวุ่นวายอยู่กับกิจกรรมภายนอกนะ ทำกิจกรรมต่างๆไปนะไม่ได้ม า, าสนใจหรือให้ความสำคัญนะกับเรื่องกายใจนะที่เราตั้งความหวังไว้ในตอนแรกนะที่เรามาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนระยะเวลาที่เหลือนะเราก็น่าที่จะเบนเข็มกลับมาตรงความตั้งใจเดิมนะที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะมาเรียนรู้ เรื่องกายเรื่องใจทำอย่างไรที่ใชรู้จักความจริงของกายของใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่วัดป่าสุกโตเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้ที่มาใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยมุ่งเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจตรงไปตรงมาเลยเไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องอมีอะไรมากมาย เรนะเรียนรู้ตรงไปตรงมานะโดยอาศัยเครื่องมือนะที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเราจะไปจับมันมาไม่ไดนะ้เราจะไปดูมันด้วยตาเนื้อไม่ได้นะมันก็จะต้องอาศัยสิ่งที่ เ, เป็นนามธรรมาเหมือนกันนะซึ่ง ครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนนะเป็นคนที่แนะนำนะวิธีการนะที่เราจะมาทำความรู้สึกตัวนะด้วยการเจริญสตินะแบบเคลื่อนไหวซึ่งวิธีนี้เนะี่ยเป็นวิธีที่ง่านยะสำหรับคนในยุคปัจจุบันนะที่มีการเคลื่อนไหวนะเพราะว่าชีวิตประจาวันของเรานั้นมีการเคลื่อนไหว นะต้องเดินไปเดินมาต้องทำนู่นทำนีนะ่โดยเฉพาะรูปแบบนะของการนะเดินจงกรมนะการสร้างจังหวะ14จังหวะนะนี้ถือว่าเป็นรูปแบบนะที่เหมาะสมนะทั้งคนที่เริ่มต้นใหม่นะคนที่กำลังเดินทางนะเพราะอย่างน้อยๆนะมันก็เป็นหลักนะมีรูปแบบที่ชัดเจนที่เราจะใช้เป็นหลักได้ในการที่เราจะไปเรียนรู้ ในการที่จะไปพัฒนาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นภาษาเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาธรรมะก็จะเรียกสติสัมปชัญญะบ้างตรงนี้ก็เราเรียกกันง่ายๆว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแต่ที่ที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะที่จะไปรู้เท่าทันอารมณ์ ความนึกคิดนะซึ่งมันก็เป็นนามธรรมเหมือนกันนะเป็นพลังงานที่มันว่องไวมากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาสิ่งที่ว่องไวเท่าทัานกันนะก็คือความรู้สึกตัวนี้เองความรู้สึกตัวเนี่ยนะเนื่องจากมันมีอยู่แล้วนะเพียงแต่เราพัฒนานะหรือเรียกว่ากระตุน้นะให้มันมีความฉับไวขึ้นนะซึ่ง อุบายหรือเทคนิคการที่จะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะด้วยการเคลื่อนไหวนะของกายนะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆนะเพราะว่าเรามีกายมีการเคลื่อนไหวนะแล้วก็สัมผัสได้นะจะให้เราไปดูใจเลยจะให้เราไปทำความรู้สึกทันทีเลยเนี่ยบางทีมันก็พูดได้นะแต่ว่าเราฟังแล้วเราก็จะทำไม่ไม่ถูกว่าเอ๊ะมันจะทำยังไง นะตัวกระผมฤตามาเองนะแต่ก่อนก็ไม่รู้นะไปอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์หลายท่านฟังครูบาอาจารย์หลายท่านบางทีเราก็ฟังไม่ถูกนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์นั้นพูดผิดหรอกเราเนะ่พูดเราเราฟังไม่ถูกเราไปจับฉวยเอาเอามานะบอกว่าให้ดูใจดูความไม่เที่ยงนะของความคิดอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่มีฐานนะเพราะว่าการไปดูเนี่ยเราเอาอะไรดูล่ะ เห็นไหมเขาบอกให้เอาสติดูแล้วสติมันอยู่ตรงไหนนะความรู้สึกตัวมันอยู่ตรงไหนมันทำอย่างไรความรู้สึกตัวเนี่ยที่บอกว่ามันมีอยู่ก็จริงนะแต่มันเป็นความรู้สึกตัวสา ม, มัญความรู้สึกตัวที่เราใช้ทําการทํางานทำนํนทำนู่นทํานี่เป็นความรู้สึกตัวพื้นฐานนะมันยังไม่สามารถที่จะไปดูใจได้ทันที มันยังไม่สามารถที่จะไปดูความคิดได้ทันทีหรือยังไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับนิวรต่างๆได้ทันทีนะ่าจำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกนะมาปฏิบัตนะิทำในรูปแบบนะในเบื้องต้นนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะแล้วก็จำเป็นกับผู้ที่มาฝึกปฏิบัติอย่าง น, น้อยๆเราก็มีหลักนะมีหลักในการที่เราจะทำนะไม่ใช่ฟังไปลอย บางทีเราฟังไปเนี่ยก็เคลิ้มไปเห็นดีเห็นงามด้วยนะแต่ว่าเราทำไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องมาทบทวนเหมือนกันมาดูตัวเราเองเหมือนกันว่าเออสิ่งที่เราฟังไปเนี่ยนะเออมันก็ฟังและสบายใจนะแต่เวลาไปเจอกับเหตุการณ์จริงๆมีเรื่องมากระทบใจนะเรายังหงุดหงิดยังกโกรธนะยังอารมณ์ไม่ดีอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ สะท้อนให้เราเห็นว่าการฟังเพียงอย่างเดียวการอ่านเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะจำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกมาปฏิบัตินะแล้วก็เผชิญกับอารมณ์เผชิญกับความคิดคนที่ฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จ ะ, ะเผชิญกับอารมณ์เหล่านี้เผชิญกับความคิดเหล่านี้โดยเฉพาะในเบื้องต้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่านิวรนะความง่วงเนี่ย เป็นเป็นตัวเบื้องต้นเลยนะที่จะมาเอ่อมาเสนอหน้าหรือว่ามาเสนอหน้ามาเสนอหน้าให้เราดูนะแล้วมันก็มีกําลังมากด้วยนะไอ้ความที่เราเคยชินที่ว่าพอง่วงก็ต้องนอนล่ะนะไอ้ตรงนี้แหละนะมันก็เลยทําให้เราอ่อนแอแต่ถ้าเราฝึกะจะเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหวความง่วงมาเราไม่ยอมมันเออมันจะง่วงก็ง่วงไปฉันไม่นอนด้วย ฉันจะสร้างจังหวะฉันจะเดินจงกรมหาวิธีการแก้ไขสร้างจังหวะยกมือช้าๆมันง่วงก็ทำให้มันเร็วขึ้นรูปเนื้อรูปตัวบ้างรูปหน้ารูปตาบ้างให้มันตื่นขึ้นมาหาวิธีการแก้เดินจงกรมเดินข้งางหน้าเดินไปช้าๆมันง่วงอเดินให้มันเร็วขึ้นเดินหน้าแล้วมันง่วงเดินถอยหลังอันนี้ก็คือวิธีการแก้ก็คือไม่ยอมมัน นะไม่ยอมที่จะทําทตามมันตรงนี้แหละเราจะแข็งแรงตรงนี้ตรงที่เราไม่ยอมนะกับสิ่งที่เคยชินนะหรือแม้แต่ความฟุง้งนซะ่านบางทีทําไปมันคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นนะจเจริญในทางความคิดนะตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําความรู้สึกตัวก็คือว่าไม่ต้องไปสนใจมันมันจะคิดก็คิดไปฉันไม่ไปด้วยนะเรากลับมาที่การเคลื่อนไหวของกายนี้ นะเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านนะเรากำลังทำอาหารอยู่มีเซลแมนมาเคาะประตูหน้าบ้านนะจะมาเสนอขายสินค้าถ้าเราไปคุยกับเซลแมนก็หมายถึงว่าอาหาร้ไหม่แน่นอนนะเราก็ไม่สนใจเซลแมนจะมาพูดยังไงก็ไม่สนใจเดี๋ยวเซลแมนก็หายไปเองเหมือนกันนะความคิดนะความฟุ้งซ่านต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จอนมาแล้วมันก็จอนไป นะเพียงแต่เรากลับมารู้สึกตัวให้มีหลักนะมั่นอยู่ที่กายที่กายเคลื่อนไหวให้ชัดๆก่อนเมื่อกายเคลื่อนไหวชัดแล้วเนี่ยเราจะมีหลักนะมีหลักสําหรับตัวเราเองเป็นหลักให้กับใจนะในการที่เราจะมีสติสัมปชัญญะหรือมีความรู้สึกตัวนะมีความรู้เนื้อรู้ตัวนะบางทีก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ที่ปัจจุบันขณะ นะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่กายชัดแล้วเนี่ยทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้มันต่อเนื่องนะการเจริญสติเนี่ยมันต้องอาศัยการกระทำที่ต่อเนื่องนะถ้าทำทำหยุดหยุดทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ไม่เคยเกิดผลนะเปรียบเทียบเหมือนกับเราต้มน้ำเนี่ยนะใส่กาต้มน้าเนี่ย นะสมมติว่าสามสินาทีมันเดือดนะถ้าเราตั้งไว้ถึง3าสินาทีมันก็จะเดือดแต่ถ้าเราตั้งไว้สักสินาทีแล้วยกออกนะเสร็จแล้วก็พอมันเย็นอาตั้งใหม่อีก10นาทีสามครั้ง3ามสิบนาทีเหมือนกันนะแต่นะ้มันไม่เดือดนะก็เหมือนกันนะเราเจริญสติเนะี่ยถ้าเราไม่ทำให้ต่อเนื่องนะมันก็ทำทำหยุดหยุดมันก็ไม่เกิดผล ความรู้สึกตัวที่เราจะพัฒนามก็ไม่ชัดนะ อ, อสิ่งที่เราจะมองเห็นได้คือสิ่งที่เราเรียกว่ารูปนามเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นหรอกนะก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังจําได้นะแต่มันไม่ไม่เกิดขึ้นในตัวเราจริงๆเราบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเราก็ยังสงสัยอยู่นะอย่างที่กลุ่มก็ามาปฏิบัติเนี่ยอาจารย์อย่างนี้รูปนามใช่ไหมอา้าวมาถามนี้ก็แสดงว่ายังไม่รู้จริง คนนี้เขรู้จริงเขไม่ถามเขารู้อ๋อมันอย่างนี้มันอย่างนี้ น, น, นะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละนะเป็นรูปนามที่เกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่สัมผัสคนทีเ่เห็นชัดเนี่ยก็จะรู้ได้ตัวเองนะไม่ต้องไปถามใครนะตรงนี้นะก็อาศัยการเจริญสตินะที่กายให้ชัดนะทำให้บ่อยทําให้เป็นนิสัย ทำให้ต่อเนื่องนะในเวลาเดียวกันเนี่ยนะความรู้สึกสุขทุกข์ก็ดีความคิดก็ดีเนี่ยมันปรากฏดวงมันแสดงดวงมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่าความรู้สึกตัวหรือสติเราเนี่ยมันยังไม่คมชัดพอนะมันก็ยังมองไม่เห็นมองไม่ชัดหรืออาจจะไม่มีกําลังนะที่จะไปบั่นทอนะความคิดที่เป็นความคิดฟุ้งซ่านนะ ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยทําบ่อยๆทําเรื่อยๆนะทําให้มันต่อเนื่องนะจากกายก็เข้าไปมองเห็นนะสิ่งที่เป็นความรู้สึกสุขทุกขนะ์หรือความเป็นปกตินะความไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการที่มันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่า ความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยยังไม่คมชัดพอนั่นเองนะก็จำเป็นที่เราจะต้องฝึกนะต่อเนื่องนะให้มันเป็นลูกโซ่นะหรือแม้แต่ความนึกความคิดซึ่งเป็นอาการอย่างหนึง่งนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อปรงแต่งนะความสุขความทุกข์นะขึ้นมานะและเราก็พูดถึงความคิดเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบ นะมีทั้งความคิดดีความคิดไม่ดนะีความคิดในเรื่องต่างๆนะมันจะแสดงออกมาหลายสารพัดนะเาเรียกว่ า, ากิเลสพัน0ตัณหา108นะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นถ้าแสดงให้เห็นเนี่ยเราดูเรารู้เราเห็นแล้วเราก็จะไม่เข้าไปจมอยู่ในกับอารมณ์ไม่ไปจมอยู่ในความคิดแต่ก่อนเนี่ยที่เราไปจม No อยู่ในอารมณ์กับความคิดเพราะเราไม่เห็นนะเราก็จะคุ้นกับความว่าถ้าอะไรมันสุขเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆแต่มันอยู่กับเราไม่ได้นะเพราะความสุขนี่มันแปลเปลี่ยนได้หรือพอเราเกิดทุกข์เราก็อยากจะผลักให้มันออกไปแต่มันก็ไม่ยอมหนีนะมันก็ยอมติดอยู่กับเราแต่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามนะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกแต่ที่มันอยู่กับเราเพราะเราหลงนะเราไม่รู้บางทีเราก็คิดแล้วคิดอีก นะอย่างเช่นความสุขเนี่ยนะมันผ่านไปแล้วปีที่แล้วเดือนที่แล้ววันที่แล้วเมื่อวานนี้แต่วันนี้มันนึกคิดขึ้นมาเออมันก็ปุ่มขึ้นมาใหม่นะเรียกว่าซ่าของความสุขนะมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ่อกลไกของจิตเนี่ยโอ้มันแนบเนียนมากนะแล้วก็ทําไปบางทีนะก็จะสัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นความปิตินะ ความารู้สึกปลอดโปร่งนะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้นะคนบางคนนะก็จะไปติดในอารมณ์นี้อีกเหมือนกันนะพอเราเดินเราสร้างจังหวะเราปฏิบัตินะมันเกิดอารมณ์พวกนี้เราก็อยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆแต่ของพวกนี้มันไม่เที่ยงอ่ะมันแปลเปลี่ยนได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นมันก็มีเวลาไปนะบางคนก็จะเสียได้ แล้วบางคนก็จะคิดว่านี่แหละคือเป้าหมายของเราล่ะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็คือเราจะต้องสงบสงบเย็นเย็นอย่างนี้แหละอดโล่งโล่งอย่างนี้แหละนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันกม็มีมีมีอาการเหล่านี้ขึ้นมานั้นก็แปรเปลี่ยนไปได้ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับดินฟ้าอากาศเราสังเกตดูท้องฟ้าก็ได้มันไม่ใช่จะใสสว่างตลอดทั้งวันมันมีมืดครึ้มบ้างมี ปอดโปร่งโล่งสว่างสวัยบ้างงานะเราดูอยู่ข้างนอกเราก็จะอ๋ อ, อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เนาะในใจเรามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนธรรมชาติเลยมันสะท้อนออกมาแลนะ้บางครั้งก็อึดอัดบางครั้งก็ปอดโปร่งนะเราก็ดูมันเราก็รู้มันเร า, รมเราไม่ได้เข้าไปในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนท่า น, นพูดไว้เป็นผู้ดูอย่าไปเป็นผู้เป็น นะก็คือมันอึดอัดก็ก็เป็นอาการของของจิตที่มันจะแสดงออกมาเราไม่ได้เป็นผู้อึดอัดนะมันปลอดโปร่งเราก็รู้มันปลอดโปร่งนะเราไม่ได้เป็นผู้ปลอดโปร่งนะตรงนี้เนี่ยถ้าสติเราชัดความรู้สึกตัวเราชัดเนี่ยนะมันมันเป็นหนังชีวิตที่น่าศึกษามากและเป็นหนังชีวิตที่เป็นจริงด้วยนะไม่มีมายาเลยตรงไปตรงมาเลย แล้วดูไปดูมามันสนุกแล้วมันเกิดปัญญาเกิดปัญญาที่เราจะไม่ไปยึดไปถือเกิดปัญญาที่จะปล่อยวางโดยธรรมชาติไม่ต้องไปตั้งใจปล่อยวางแต่ก่อนตัวกับผมเรียกแมาไปอ่านหนังสือธรรมะก็บอกว่าให้รู้จักปล่อยวางให้ทําจิตว่างนะอ่านไปเนี่ยก็เออดีนะแต่มันทํำยังไงอะใช่ไหมพอเรามาเจริญสติเนะโอ้ตัว จเจริญสตินี่นาะมันทําให้การปล่อยการวางเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปรปรวนมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องเกิดจากสติปัญญาที่ได้จากการฝึกปฏิบัติไม่ใช่สติปัญญาที่เกิดจากการอ่านหนังสือหรือว่าเกิดจากการฟังครูบาอาจารย์แล้วก็จดจําไป นะแต่มันเกิดจากการปฏิบัติจริงๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้นะเป็นสิ่งที่จะ เ, เรียนรู้ได้นะไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยนะซึ่งพุทธองค์ก็ได้แนะนำไว้นะแล้วก็ผ่านมาที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนะสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันมีแต่เพียงตัวเราทั้งนั้นแหละที่จะไป พ, พิสูจน์คำพูด คำสอนเหล่านี้ว่ามันเป็นจริงไหมนะถ้าเราพิสูจน์แล้วมันเป็นจริงนั่นแหละนะมันจะทำให้ศรัทธาที่เรามีนะมันเป็นเป็นศรัทธาที่ตั้งมัน่นนะไม่ใช่เป็นศรัทธาที่เชื่อเอ่อเพราะว่าเห็นว่าดีนะหรือว่าเชื่อเพราะจดจำมารอเชื่อเพราะว่ า, าผู้พูดน่าเชื่อนะหรือหรือเป็นตําราที่น่าเชื่อถืออะไรอย่างนั้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งภายนอกนาที่มาช่วยส่งเสริมศรัทธาให้เรานำไปสู่การปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเกิดผลมีสติปัญญาเกิดขึ้นรู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงตรงนี้มันจะทำให้ศรัทธาตั้งมั่นและเราก็จะเป็นที่พึ่งของตัวเราเองได้เราจะมีที่พึ่งมีพระรัตนตรัยที่แท้จริง แต่นะรลัตนาตายที่อยู่ในตัวเรานะก็คือสติปัญญานั่นเองนะที่รู้เห็นตามความเป็นจริงการที่เราเห็นความเป็นจริงได้นี้นะออชีวิตจิตใจกายใจนะมันก็จะคืนสู่สภาพปกตินะซึ่งสภาพปกติเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตั้งแต่เราเกิดมานะสังเกตดูสิเด็กๆ เ, เนี่ย เขาไม่คมีเรื่องคิดอะไรมากเขาจะมีนิสัยที่ร่าเริงแจ่มใสมีความเป็นปกติอันนี้เป็นสภาพปกติที่เรามีอยู่ทุกคนแต่พอเราโตขึ้นเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นบางทีเราก็หลงลืมสภาพปกตินี้ไปเราก็ไปหลงไหลในความสุขอยากให้มันมีความสุขมากๆ และพยายามผลักดันความทุกข์ออกไปอันไหนที่มันทุกข์ก็ไม่อยากที่จะเอานะแต่มันก็แปรกนะเรื่องอะไรที่มันทุกข์มันชอบมาหาเราแล้วเราก็ผลักดันไปมันก็ไม่ยอมไปนะได้ความสุขเนี่ยนะมันหนีเราอยู่เรื่อยนะแล้วก็วิ่งหามันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็จะเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยในการที่จะไขว่คว้าหาความสุขนะ ยิ่งๆกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีความกระวนกระวายใจณเมื่อได้สุขมาก็ไม่อยากให้สุขหายไปเมื่อมีสุขเมื่อมีทุกขมาก็ไม่อยากให้ทุกมันอยู่กับเราณตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดํารงหรือไม่สามารถที่จะกลับคืนสุขปกติได้ณเพราะว่าไม่รู้ณไม่รู้สภาพนี้เองณเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ย นะก็มีเป้าหมายชัดเจนเลยว่าเรามาเรียนรู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในตัวเราเองทั้งภายนอกตัวเราเองนะแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางนะไม่ไปยึดถือนะในสิ่งต่างๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระโปร่งเบาสบายนะไม่ไปยึดไปถือมันนะ เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้ไปบังคับบัญชาอะไรนะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเป็นคนปล่อยปะละเลยนะเรามีหน้าที่มีการงานอะไรเราก็ทำไปตามงานตามการงานตามหน้าที่นั้นเพียงแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นอิสระเป็นอิสระจากสิ่งที่มาปรุงแต่งนั่นก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆนะ แต่ความคิดที่เราจะใช้ในการสร้างงานสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังต้องใช้อยู่นะพูดถึงความคิดนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งความคิดทุกอย่างนะก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำงานทาการนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้แต่เมื่อใช้เสร็จแล้วนะมันก็จบมันก็เก็บมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรต่อนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้จักว่าอะไรควรนามาใช้อะไรไม่ควรอำมาใช้ นะโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องไปต่อแย่มันเลยนะเอาความรู้สึกตัวในเป็นตัวต่อรองได้อนะนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ผู้ที่เจริญสติอย่างต่อเนื่องนะอย่างเป็นลูกโซ่แล้วเนี่ยนะพุทธองค์ก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะภายใน7วัน7เดือน7ปีนะก็จะต้องเข้าใจนะแล้วก็ มีความทุกน้อยลงหรือไม่ทุกเลยนะหลวงพ่อเทียนนะท่านก็เคยพูดเอาไว้ว่าภายใน1วันถึง90วันหรือภายใน1ปีหรือ3ปีเนี่ยถ้าทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยความทุกจะลดน้อยลงนะท่านก็ท้าทายไว้นะก็มาพิจารณาตัวเราเองเหมือนกันว่าเอเราทำมา60วันแล้วเนี่ย เข้าพรรษาแล้วเนี่ยมันเกิดผลอย่างนั้นขึ้นมาไหมนะตรงนี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันนะถ้ายังไม่เกิดผลเนี่ยระยะสามสิบวันที่เหลือเนี่ยเราจะทํำยังไงที่จะพิสูจน์เรื่องนี้นะพิสูจน์สิ่งที่พุทธองค์ได้ท้าทายไว้นะหลวงพ่อเทียนนะครูบาจารย์ในยุคปัจจุบันท้าทายไว้นะมันก็เป็นสิ่งที่น่าพิสูจน์เหมือนกันนะเพราะว่าการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะ ก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็มีจุดประสงค์ตรงนี้นะแต่บางครั้งบางทีก็อย่างว่าแหละนะมันมีกิจกรรมหลายอย่างบางทีเราก็อาจจะเคว่ไปบ้างนะเบี่ยงเบนไปบ้างนะกับจุดประสงค์เดิมที่เราตั้งเอาไว้แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมามัวทำแต่เจริญสติในรูปแบบเท่านั้นนะบางทีมีการงานอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งตรงนี้นเราอยู่ในสังคม นะเราก็ช่วยช่วยกิจกรรมต่างๆนะเป็นสิ่งที่เออเอื้อเฟื้อนะเพราะว่าถ้าเราเราไม่ได้ทําเรื่องนี้เนี่ยการอยู่ในสังคมก็อาจจะเออเป็นภาระกับคนอื่นนะก็ถือว่าต้องช่วยเหลือกันนะก็เพียงแต่ว่าเออจัดความพอเหมาะพอดีนะก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ไปมุ่งนะที่จะทําทงานภายนอกนะซะจนลืม นะการเจริญสตนะิซึ่งเป็นประโยชน์ตนที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้คิดว่าเป็นเป้าหมายนะที่เรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตไดนะ้แห่งนี้นะก็ได้ทราบข่าวว่ามีบางส่วนนะมีพระบางรูปนะก็ตั้งใจที่จะประพฤติธปฏิบัตนะิในช่วงระยะสุดท้ายนะจะบางทีโดยเฉพาะพรนะนวากาพระใหม่เนี่ย แตนะ่บางทีไปปฏิบัติเองคนเดียวแลนะบางทีมันก็ว้าเวนะอาจจะมีการรวมกลุ่มกันมาจัดปฏิบัติร่วมกันนี่ก็เป็นเรื่องดีนะก็ตรงนี้จะให้กําลังใจกันแต่สําหรับท่านที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วสามารถปฏิบัติด้วยตัวเองนะกเ็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนน่าส่งเสริมนะแล้วก็นุโมทนาด้วยนะในการที่ มาใช้เวลานะใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตให้มันคุ้มค่านะกับการที่มาอยู่ที่แห่งนี้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่พูดคุยนะเล่าสู่กันฟังนะสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน่นะก็ให้พิจารณาสิ่งใดที่อาจจะไม่เหมาะสมนะหรืออาจจะพูดไปแล้วทำให้ไม่สบายใจบ้างหรือรุ่งเกินไปบ้างก็ต้อง ขอกข้ามาลโทษด้วยนะก็เป็นความตั้งใจนะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้เวลานะที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดเกิดผลดีที่สุดนะให้ตรงกับจุดประสงคนะ์ของการมาวัดป่าสุกโตก็คือการมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะที่จะทำให้เราเนี่ยนะมีจิตใจที่เป็นอิสระ นะรู้เท่าทันความจริงนะมีชีวิตที่เป็นสุขเกษมสารนะไม่ใช่สุขแบบวิ่งดิ้นลนกระเสือกกระสนอย่างในโลกนะที่เราเคยใช้ชีวิตกันอยู่นะก่อนที่เราจะมาอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอนะให้กับทุกท่านได้พิจารณานะตามที่ท่านจะเห็นสมควรนะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอ อนุโมทนาในความตั้งใจของทุกท่านแล้วก็ขอให้สิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัตนะิความเพียรพยายามของทุกท่านเนี่ยจงบังเกิดผลนะให้แล้วเรียนรู้เท่าทันความจริงนะมีชีวิตที่อิสระเป็นสุกเกษมสารในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทิน